พุทธธรรมจบไปอริยวินัยไม่เห็นมาท้ายเล่มจบบทสุดท้ายคือบทที่22ของพุทธธรรมฉบับปับปรุงและขยายความที่พิมพ์เสร็จในปีพุทธศักราช5 2 5ได้เขียนไว้ว่าหนังสือนี้ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรมสมชื่อว่าพุทธธรรมแต่กล่าวถึงวินัยเพียงเล็กน้อย อาจต้องมีหนังสือที่เรียกชื่อตามบาลีเดิมว่าอริยวินัยไว้เข้าคู่กับพุทธธรรมข้อความนี้เท่ากับบอกว่าอาจจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าอริยวินัยมาเข้าคู่กับหนังสือพุทธธรรมและหนังสือเล่มนั้นคงมีความใหญ่ความหนาเป็นต้นในระดับเดียวกับพุทธธรรมคําว่าอริยวินัยไม่ใช่หมายถึงวินัยของพระสงฆ์ อย่างที่รวมไว้ในพระวินัยปิฎกไม่ใช่ประมวลบทบัญญัติและมีความหมายกว้างออกไปสําหรับสังคมทั้งหมดพึงเห็นความหมายที่กว้างเช่นระบบชีวิตระบบสังคมอย่างที่จัดในหลักที่หพระพุทธเจ้าตรัสว่าในอริยวินัยในเวลาที่ผ่านมามีบางท่านทวงถามอย่างค่อนข้างอาจริงอาจริงว่าเมื่อไรจะเขียนอริยวินัยออกมา ถ้ตอบง่ายๆก็บอกว่าจะเขียนได้ไวอย่างไรแค่จะพิมพ์พุทธธรรมขึ้นมาใหม่เวลาก็ผ่านไปสาิปีแล้วและที่จริงข้อความที่เขียนไว้นั้นก็ไม่ได้ผูกมัดตัวคือเขียนแค่ว่าอาจต้องมีหนังสืออริยวินยัยไม่ได้บอกว่าจะต้องเขียนและก็ตอบได้เช่นเดียวกันว่าถ้าได้มีโอกาสก็คงได้เขียนคือถ้าเขียนได้ก็ดี ถึงเวลานี้เมื่อพิมพ์พุทธธรรมขึ้นมาใหม่ได้แล้วบางท่านก็ทวงอีกทานองว่าพุทธธรรมเสร็จเรื่องแล้วราวนี้ก็มีโอกาสแล้วควรจะเริ่มเขียนอริยวินัยได้แต่ตอนนี้จะเขียนอริยวินัยได้หรือไม่ไม่เกี่ยวกับพุทธธรรมแล้วไม่ว่าเสร็จหรือไม่เพราะตอนนี้เป็นเรื่องการเวลาของชีวิตและก็ได้ตอบไปโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยว่า เมื่อเวลาผ่านมา30สิปีอย่างนี้ก็ไม่มีชีวิตพอที่จะเขียนหนังสือเล่มที่เรียกว่าอาริยวินัยนั้นแล้วนี่คือจบอย่างไรก็ตามก่อนจะผ่านเลยไปควรทำเรื่องให้ชัดเจนสักหน่อยทำไมอริยวินัยจึงควรต้องมาเข้าคู่กับพุทธธรรมที่จริงเหตุผลในเรื่องนี้ก็ได้พูดไว้สั้นๆแล้วในพุทธธรรม ตรงที่เอ่ยถึงอริยวินัยนั่นแหละแต่ก็ควรทบทวนกันนิดก่อนจะปิดเรื่องคือเรื่องนี้ก็เป็นความคู่กันของธรรมกับวินัยนั่นเองพุทธธรรมก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือพระองค์ผู้ตรัสรู้แล้วรู้แจ้งรู้จริงได้ทรงสอนทรงแสดงไว้ส่วนอริยวินัยก็คือวินัยของอริยชน หรือวินัยอย่างอาริยะเป็นอันว่าพุท ธ, ธะกับอาริยะเป็นคําย้ำให้หนักแน่นและแน่ลงไปส่วนคํายืนก็คือธรรมะกับวินยัยธรรมหรือธรรมะหมายถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเป็นสภาวะของธรรมชาติเช่นความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งไม่เข้าใกลออกไกลเป็นเรื่องที่คนจะต้องรู้เข้าใจตามที่มันเป็นของมันแล้วทำให้ตรงเหตุปัจจัยอย่างที่มันจะเป็นไปของมันส่วนวินัยหมายถึงการจัดตั้งวางระบบชีวิตและกิจการของมนุษย์โดยใช้ความรู้ต่อความจริงของธรรมชาติหรือใช้ความรู้เข้าใจถึงกฎธรรมชาตินั้นมาจัดการต่างๆให้สอดคล้องที่จะได้ผลตามเหตุปัจจัย ที่ตนทาตรงตามกฎธรรมชาติในทางที่มันจะเป็นไปโดยสนองความต้องการแห่งเจตจานงของตนที่ว่านี้เท่ากับบอกว่ามนุษย์ต้องมีปัญญารู้สองขั้นคือรู้เข้าใจอย่างถึงความจริงของธรรมชาติแล้วรู้จักจัดตั้งจัดการโดยเอาความรู้ถึงความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช้ทาการ ให้ความเป็นไปหรือกระบวนการของธรรมชาติก็เกิดผลที่จะสนองความต้องการของตนหรือที่จะเกื้อกูลเป็นคุณและประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของตนยกตัวอย่างง่ายๆคนต้องการมีข้าวเพื่อไว้กินไว้ขายด้านแรกก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องที่เป็นธรรมชาติของข้าวเช่นว่าข้าวเกิดจากมเมล็ดข้าว เกิดในที่อย่างไรจเจริญเติบโตอย่างไรดินแบบไหนน้ําเท่าใดภูมิอากาศอย่างไรฤดูกาลช่วงไหนจึงจะเหมาะลูกแล้วนานเท่าใดจึงจะเก็บเกี่ยวได้อะไรบ้างเป็นศัตรูพืชของข้าวมันจะมาอย่างไรจะหมดอย่างไรและอื่นๆนี่คือความรู้ความจริงของธรรมชาติหรือรู้ธรรมดาของมันแล้วด้วยความรู้นั้น อีกด้านหนึ่งก็มากำหนดการมาจัดตั้งวางระบบกระบวนการทำงานให้ถูกจังหวะถูกลำดับตรงตามที่มันจะเกิดผลของมันโดยเป็นไปตามความต้องการของเราไรมีปัญญารู้ทั่วตลอดแจ้งชัดต่อธรรมดาของข้าวและต่อธรรมชาติที่เกี่ยวข้องทั้งทางบวกและทางลบต่อข้าวกับทั้งมีความฉลาดสามารถจัดตั้งวางระบบกระบวนการกระบวนงานทุกอย่าง ที่จะให้ความเป็นไปตามธรรมดาของเขาแสดงตัวออกผลสอดคล้องสนองตรงตามความต้องการของตนต่อเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บจัดจำหน่ายเป็นต้นอย่างรื่นคล่องสมตามที่ปรารถนาของเขาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จขั้นความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติก็คือธรรมหรือธรรมะ การวางระบบจัดการของคนก็คือวินัยพุท ธ, ธรรมก็คือขั้นของธรรมหรือธรรมะเป็นเรื่องของการรู้ความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาของโลกของชีวิตมุ่งที่รู้ความจริงส่วนการปฏิบัติต่อความจริงตามความจริงนั้นพูดไว้บ้างในขั้นพื้นๆอย่างเป็นของแถม เฉพาะอย่างยิ่งในระดับของบุคคลส่วนในวงกว้างออกไประดับสังคมหรือโลกมนุษย์ก็ยกไปเป็นงานอีกขั้นหนึ่งอริยวินัยก็คืองานอีกขั้นหนึ่งนั้นที่จะนำเอาความรู้ของพุทธธรรมไปจัดตั้งวางระบบจัดการทางสังคมให้โลกมนุษย์ได้ประโยชน์จริงจังจากพุทธธรรมด้วยปัญญาที่อย่างรู้เข้าถึงทั่วชัด และด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มุ่งดีเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ย่างแท้จริงดังที่เรียกว่าอย่างอริยะโดยจัดเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองและระบบกิจการต่างๆทางสังคมนี่คือที่ได้บอกว่าเมื่อเขียนหนังสือพุทธธรรมแล้วอาจจะต้องหรือควรจะต้องมีหนังสืออริยวินัยมาต่อเป็นคู่ ความหมายก็มีดังที่กล่าวมานี้ที่นี้ในอริยวินัยนั้นถึงจะยังไม่ได้เขียนและจะไม่มีโอกาสเขียนแต่ในเวลาค่อนข้างยาวนานที่ผ่านมา mm. ก็ได้มีเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกว่าบังเอิญเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่ทำให้ได้พูดเรื่องจำพวกนี้ไว้ปราปลายและกระจัดกระจายแล้วก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มย่อยๆย่อมย่อม หนังสือที่มีลักษณะนเนื้อหาเชิงอริยวินัยก็มีตัวอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนิติศาสตร์แนวพุทธประชาธิปไตยไม่ยากถ้าใจจริงอยากได้ทำมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอที่เรียกว่าแนวพุทธแนวพุทธนั้นก็เป็นทำนองว่าเรานำเอาหลักธรรมมาสื่อสารมาแสดงเป็นแนวของการจัดตั้งวางระบบชีวิต และกิจการต่างๆอย่างระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองเป็นต้นในระยะแรกก็อาจจะยังหลุวมๆหรือเป็นแนวอยู่รั้นเมื่อเป็นระบบชัดขึ้นมาก็คือเป็นอริยวินัยที่ว่านั้นลองย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องไตรสิกขาคือการศึกษามีองค์สาม ที่ให้เกิดการพัฒนาสีด้านเป็นพาวิตกายพาวิตศีลพาวิจจิตและพาวิตปัญญาที่พูดไปแล้วข้างตน้นตอนนั้นบอกแล้วว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือการทำให้มีพัฒนาการขั้นต้นที่เรียกว่ากายภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเฉพะ อ, อย่างยิ่งให้ได้อยู่กับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ใช้คำรวมสรุปว่าเป็นร ม, มณีคือสดชื่นรื่นรมที่นี้หลักในการศึกษาขั้นนี้ก็บอกแล้วว่าท่านพรหมย้ำพราหมเน้นให้รู้จักใช้อินทรีย์หรือให้สามารถปกครองอินทรีย์ได้ทั้งในการรับรู้ดูเห็นฟังได้ยินเช่นให้ดูเป็นให้ฟังเป็นที่จะได้ประโยชน์ได้ปัญญาเรียกว่าอินทรียสังวร ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่อยู่แค่ขั้นรับรู้โลกแห่งสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือก้าวต่อไปสู่ขั้นกระทาต่อโลกแห่งสิ่งแวดล้อมนั้นนี่คือให้รู้จักใช้อินทรีย์เหล่านั้นในการเสริโภคด้วยตรงนี้นอกจากเน้นตาและหูแล้วจะหมวกลิ้นกายจะมาแรงด้วยเรียกว่าครบทุกอินทรีย์เลยซึ่งเป็นหลักการศึกษาข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งที่เรียกว่า ปัจจัยปฏิเซวนาคือให้เสษ บ, บริโภคปั จ, จัยสีเป็นต้นไปอย่างที่ว่าให้ได้คุณค่าที่แท้ไม่ลงเพลิดไปกับคุณค่าเทียมให้ได้คุณภาพชีวิตไม่ติดอยู่แค่จะ บ, บำเรออินทรีย์ถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตของโลกของสังคมมนุษย์คือการปฏิบัติจัดการ ตั้งแต่จะให้ได้ให้มีวัตถุปัจจัยที่จะเสบบรีโบโภคการจัดสรรแบ่งปันแพ่กว้างออกไปให้ได้มีการเสบบรบโิโภคสนองความต้องการของชีวิตที่มักปนกับหรือถึงกับถูกปันถูกครอบงำโดยความต้องการของบุคคลและยังต่อไปถึงการจัดการแก้ไขกำจัดหรือพันแปร ى, ของเหลือของเสียของระบายของทิ้งเท ตลอดกระบวนการที่ว่านั้นก็ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเฉพาะ อ, อย่างยิ่งว่าจะทํากับและทําต่อมันอย่างไรเกื้อกูลหรือทําลายซึ่งหลักแห่งความรู้จักประมาณในการบริโภคการเสพการกินพอดีการบริโภคด้วยปัญญาเป็นต้นก็เข้ามาเรื่องก็มากมายแต่รวมแล้ว อย่างที่ว่าตามหลักของกายภาวนานี่คือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยคนที่ใช้อินทรีย์ทั้งด้านรับรู้และกระทำสแสดงออกว่าทําอย่างไรจะให้ฝ่ายคนก็มีคุณภาพชีวิตดีเจริญงอกงามและฝ่ายสภาพแวดล้อมก็ยังเป็นรมมณีหรือยังสดชื่นเรื่นรม มือเท้ารับใช้อินทรีย์ทั้งฝ่ายรับเข้ามาและกระทาสำแดงออกไปความรู้เข้าใจที่จะจัดการในเรื่องนี้โดยจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์ให้ได้สมความมุ่งหมายอย่างนี้เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์และด้วยความมีหลักที่จะทำให้ได้อย่างนั้นมันจึงเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าแนวพุทธเมื่อจัดตั้งวางระบบเศรษ ฐ, ฐกิจ ให้ชัดอย่างที่รู้อย่างที่คิดได้มันก็เป็นระบบหนึ่งของอริยวิไนนยนั่นเองเราเคยชอบพูดกันถึงระบบองค์รวมที่ส่วนย่อยทั้งหลายโยงใยสัมพันธ์เกื้อกูลกลมกลืนกันให้ส่วนรวมสมดุลพอดีดำรงอยู่เรียบรื่นยั่งยืนได้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตามแนวของอริยวิไนนยนี้ระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ ก็จะประสานกลมกลืนเกื้อกูลหนุนกันถ้าระบบการศึกษาถูกต้องระบบเศรษฐกิจที่ดีก็ต้องมาแต่เราเห็นองค์รวมอย่างนี้มีจริงในสังคมมนุษย์บ้างหรือยังนี่พูดพลอยเห็นตัวอย่างแห่งอริยวินยัยทางด้านระบบเศรษฐกิจที่ธรรมะออกผลมหมายเห็นเป็นจริงในระบบจัดตั้งแห่งวินัยของสังคมมนุษย์